หรือทั้นอุปมาเหมือนกับเป็นสนิมที่คอยกัดเหล็กให้กร่อนลงทุกวันทุกวันถ้าจิตของคนถูกนิวรณ์เข้าครอบงำอยู่เสมอคุณธรรมต่างๆก็จะสึกล้อยลอลงอยู่ตลอดเวลาแล้วผลสุดท้ายจิตนั้นก็ตกลงสู่ภาวะที่ต่ำตามจากถูกนิวรณ์เข้าครอบงำบุคคลใดที่ขจัดนิวรณ์ให้หมดไปได้ตามลำดับจิตก็จะใสสะอาดขึ้นจิตก็จะสูงขึ้น ซึ่งอันนี้เป็นเป็นหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาของเราจริงอยู่ผู้ที่ทำอภิญญาหรือแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆได้เป็นต้นว่าพระโมคคัลลานะท่านเหาะได้พระโมคคัลลานะท่านดาดินได้ท่านมีตาทิพย์สามารถดูนรกดูสวรรค์ได้หรือท่านสามารถหายตัวได้แปลงร่างจากร่างหนึ่งไปเป็นสิบร่างร้อยร่างเนี่ย ในสมัยก่อนพระอาหารหันต์ท่านทาได้อันนี้เรียกว่าอภิญญาอภิญญาชนิดนี้จะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการเจริญสมาธิให้สาเร็จฌานไปก่อนจึงจะก้าไปสู่ขั้นทำอภิญญาเนี่ยอีกขั้นหนึ่งแต่เพราะฉะนั้นเรื่องผลที่เราได้จากสมาธิจิตมันแตกออกไปได้หลายแขนง เราได้สมาธิจิตมาอาจจะเป็นไปในทางที่ไม่ถูกทางก็ได้อาจจะเป็นไปในทางที่ถูกทางก็ได้แล้วแต่เราจะใช้ไปในทางไหนถ้าใช้ไปในทางที่ถูกก็เกิดประโยชน์ถ้าใช้ไปในทางที่ผิดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดโทษแต่ว่าประโยชน์ทั้งหลายแหล่ที่เราจะพึงได้รับจากสมาธิจิตนั้นก็คือความสงดจากกามทั้งหลายทั้งปวง เราสามารถทำจิตนี้ให้สงบจากกามทั้งหลายทั้งปวงได้นั่นก็เป็นสุขอย่างยิ่งแล้วเพราะในปัจจุบันนี้จิตของเราก็ถูกเผารลด้วยกามฉันทะอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสามารถที่จะทำจิตให้สงบจากกามได้ก็เป็นความสุขอย่างมากมายการที่จะทำจิตให้สงบจากกามได้ก็ต้องอาศัยเนกขมมะเป็นเบื้องต้นคือการรู้จกักปลีกตนเองออกจากสิ่งที่พัวพันทั้งหลายเหล่านี้ แล้วเราก็พยายามฝึกจิตของเราให้สูงส่งขึ้นอย่างนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เรานี้ได้บรรลุถึงซึ่งความสุขในขั้นโลกิยะซึ่งเป็นความสุขที่เราได้ในโลกปัจจุบันยังไม่ถึงความสุขขั้นโลกุตระแต่ว่าวิเวกนั่นย่อมเกิดขึ้นแก่เราแล้วอย่างน้อยเราก็ได้จิตวิเวกมีความสงบจิตมีกายวิเวกมีความสงบกายและต่อไปก็อาจจะทึ้งถึงขั้น ุปธิวิเวก ค, คือสามารถทํากิเลสทั้งหลายเนี่ยให้สงบประงับได้หรือวิขมพนะวิเวกก็ยังดีซึ่งเป็นการวิเวกด้วยการข่มไว้ชั่วขณะหนึ่งซึ่งก็นับว่าเป็นผลกําไรของชีวิตอยู่แล้วก็ปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่านอกไปจากความหลับอันสนิทที่เราได้รับอยู่ทุกทุกวันแล้วเราจะหาความ สงบเย็นจริงๆเนี่ยไม่ได้บางคนแม้หลับก็ยังหวาดสดุ้งผวายังมีความขัญที่ไปก่อกรนให้เกิดความหวาดกลัวให้เกิดความทุกข์ขึ้นก็มีความสุขที่เราได้รับจริงๆนะ่ะคือตอนที่เราหลับอย่างสนิทเราตัดเครื่องกังวลทั้งหลายในปัจจุบันเนี่ยได้แล้วจิตตกลงสู่กระแสผวาังเพียงชั่วขณะหนึ่ง แต่เมื่อเราตื่นจากหลับแล้วเราก็จะต้องมีปัญหาที่จะต้องคิดที่จะต้องทําที่จะต้องดิ้นรนกันต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นความสุขอันเล็กน้อยที่เราได้ชั่ววันหนึ่งวันหนึ่งคือขณะที่เราหลับภาวะของจิตที่อยู่ในภาวะเช่นนั้นก็ไม่ใช่เป็นจิตที่ดีจิตที่ทําให้เราหลับอย่างสนิทได้เนี่ยเราถือว่าเป็นความดีในทางโลกยิ่งในทางแพทย์แล้วก็ถือว่าคนไหนที่หลับสนิทคนนั้นมีบุญแล้ว เพราะว่าคนนั้นจะมีความทุกข์ทรมานน้อยสุขภาพร่างกายจะทุดโทรมน้อยถ้าหากว่านอนได้หลับอย่างสนิทอย่างโบราณบอกว่าในชีวิตคนเนี่ยไม่ต้องมีอะไรหรอกกินอิ่มนอนหลับก็เป็นสุขแล้วหมายั้งว่าท้องไม่หิวเวลานอนกันหลับอย่างสนิทเป็นสุขแล้วความจริงอันนั้นเป็นความเป็นความสุขเล็กๆ น, น้อยๆ ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้เพราะว่าคนนอนหลับนี่ขณะนั้นเราถูกโมหะเข้าครอบงำปัญญาไม่เกิดคนนอนหลับปัญญาไม่เกิดฉะนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าคนไหนนอนมากคนนั้นปัญญาน้อยมีปัญญาน้อยคนไหนนอนน้อยคนนั้นปัญญามากฉะนั้นคนที่คนที่นอนหลับนี่ท่านบอกว่า มีโมหะเข้าครอบงำอยู่เพราะในภาวะเช่นนั้นนะเราไม่เห็นนี่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเป็นอย่างไรเราไม่มีปัญญาไปเห็นสามัญลักษณะส่วนนี้เพราะฉะนั้นในขณะนั้นปัญญาจึงไม่เกิดแต่ว่าระหว่างที่เราไม่หลับเราอาจจะหลับตาเช่นอย่างเรานั่งทาสมาธินี่เราอาจจะนั่งหลับตาแต่ว่าในขณะนั้นจิตของเราไม่หลับจิตไม่ตกลงสู่กระแสผวัง จิตนี้ขึ้นสู่วิถีตลอดเวลาเราเพิ่มพูนปัญญาภาวนาเนี่ยอยู่เสมอและปัญญาภาวนาเช่นนี้เองที่จะยังรู้ถึงสัจธรรมที่เป็นตัวสภาวะธรรมอันเป็นส่วนประมัต ธ, ธรรมเนี่ยสามารถที่จะยังรู้ถึงความเกิดความดับของรูปและนามได้แม้ตาจะหลับแต่ว่าจิตเนี่ยไม่หลับจิตนี้ยังสว่างสวัยอยู่และก็เห็นความเกิดดับของรูปนาม อันนี้เป็นเรื่องสภาวะภายในซึ่งความรู้ความเห็นชนิดนี้เราเรียกกันว่าปัญญาจักษุปัญญาจักษุเนี่ยแปลว่าตาปัญญาสามารถที่จะเห็นสภาวธรรมอันลึกซึ้งได้คือถ้าพูดถึงคำว่าจักษุแล้วท่านจําแนกออกไปเป็นหลายประเภทเช่นเป็นมังสะจักษุ มังสะจักรสุเนี่ยคือตาเนื้อที่เรามีอยู่ใช้ดูรูปต่างๆได้พุทธจักรสุก็ได้แก่พุทธญาณที่อย่างรู้ถึงอัธยาสัยของเวนัยสัตว์อย่างนี้แล้วก็บปัญญาจักสุคือตาปัญญาตาปัญญาที่สามารถจะเห็นอะไรต่างๆได้หรือญาณจักสุซึ่งมีใช่หลายอย่างด้วยกันความเห็นคือคำว่าจักรสุ จักรุในในหลักธรรมะเนี่ยท่านแปลว่าหมายถึงธรรมชาติอันเป็นเครื่องเห็นเรียกว่าจักุระธรรมชาติที่เป็นเครื่องเห็นเนี่ยถ้าเป็นมังสะจักรุก็หมายถึงแก้วตาหรือภาษาจักรุหรือจักขุประสาษาจักระสาทก็คือประสาตาความใสของของตาที่สามารถจะเห็นภาพต่างๆได้เช่นมีภาพมากระทบ มีแสงมากระทบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นได้แต่การเห็นไม่ใช่หมายถึงตัวจักรสุเช่นนี้เห็นแต่หมายถึงวิญญาณที่เราเรียกว่าจักรขุวิญญาณเป็นตัววิญญาณอีกทีหนึ่งไปเห็นไม่ใช่หมายถึงรูปชนิดนี้ไปเห็นรูปเนี่ยทาหน้าที่เป็นผลสดท้อนเท่านั้นเองคล้ายๆก็เป็นปัจจัยให้เกิดจักรขุวิญญาณเท่านั้นตัวเห็นน่ะคือตัวจักรขุวิญญาณไม่ใช่หมายถึงจักรขุวัตถุนี่เป็นผู้เห็นอันเนี้ยหลัก ธรรมะท่านว่าไว้และวิทยาการสมัยปัจจุบันนี้ก็มีความเข้าใจตรงกันอันนี้เหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราเอาตาคนตายมาใส่ตาคนตาบอดที่ยังไม่ตายแต่คนตาบอดสามารถเห็นได้เนี่ยทําไมจึงเกิดความเห็นได้ก็เพราะว่ามีปัจจัยให้เกิดความเห็น เพราะว่าจักขวิญญาณคือการเห็นรูปจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยสี่อย่างปัจจัยที่หนึ่งคือจักขปภาษาทะหมายถึงเรามีมีภาษาทะรูปมีจักขปภาษาทะรูปสองรู ป, ปารมณ์คือมีรูปเช่นแสงสีต่างๆเนี่ยมากระทบสามมีอาโลกะคือแสงสว่างที่จะเป็นสื่อให้เกิดความเห็นและก็สี่มณสิการคือความตั้งใจที่จะดู เมื่อมีปัจจัยสี่อย่างนี้ปรากฏเกิดขึ้นก็ให้สำเร็จเป็นการเห็นขึ้นมาได้จกักขุบิญญาณจึงเกิดฉะนั้นการจัดระบบเปรียนจกักขุปภาษาธรตุจากคนตายมาใส่คนเป็นอย่างเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยเขาทำได้ความจริงก็ทำได้นานแล้วหลายพันปีมาแล้วเราได้หลักฐานจากอัตกถาในชาดก ตั้งแต่ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเป็นพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดเป็นพระเจ้าศรีบิราชครองราชสมบัติแต่ว่าพระองค์ตั้งโรงทานขึ้นในสี่ทิศบริจาคทานทุกวันเลี้ยงอาหารคนยากคนจนยากจกวณิพกใครมาขออะไรให้วัตถุภายนอกเนี่ยให้หมดให้จนไม่รู้ว่าไม่มีอะไรเลยที่พระองค์ไม่เคยให้ ไม่เคยบำเพ็ญทานมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เคยให้คืออวัยวะภายในของภายนอกเนี่ยให้หมดแล้วแต่ภายในยังไม่เคยบำเพ็ญจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เราได้บาเพ็ญทานภายในได้สมเร็จเถิดในปัจจุบันชาตินี้ถ้าสมมติจะมีใครมาขอดวงตาดวงใจแก่เราเราก็จะควักให้ก็มีเท้าส ก, กะเทวราชเนี่ยแปลงเป็นตะพามตาบอด มาขอดวงตาท่านศรัทธาให้ทันทีบอกว่าตูปิติปราโมททราบทราบไปหมดว่าแม้เราด้วยบำเพ็ญทานแล้วแต่ว่าประชาชนแพทย์คัดค้านกันทั้งเมืองว่าพระองค์อย่าบําเพ็ญทานชนิดนั้นเลยเพราะว่าจะทําให้ตาทิการไปตลอดชีวิตใครล่ะจะครองราชครองบ้านครองเมือง แต่ว่าเสียงคัดค้านเช่นนี้ไม่สำเร็จผลสุดท้ายพระรงก็บังคับในแพทย์ศีวิ ก, กแพทย์เนี่ยบอกว่าให้ช่วยวักตาทั้งสองข้างเนี่ยให้แก่พามตาบอดด้เถอะคิดว่าสงเคราะห์แก่เราให้ได้บำเพ็ญบรารมีได้สำเร็จและท่านก็ประกาศแกประชาชนว่าตาสองข้างของท่านเนี่ยท่านก็รักไม่ใช่ท่านจะไม่รักท่านก็รักตาของท่านเหมือนกัน แต่ว่าสัพพัญญุตยานนั้นเรารักยิ่งกว่าหมายถึงว่าพระพุทธองค์ น, นั้นรักโพธิยานมากกว่ารักดวงตาทั้งสองข้างฉะนั้นขอให้พระองค์ได้บำเพ็ญทานอันนี้ได้สำเร็จเถอะพระองค์รักแต่ว่าโพธิยานนั้นสำคัญกว่าคนสุดท้ายแพทย์ต้องทำตามสมัยนั้นเราก็ไม่ได้ตัวยาโดยละเอียดเป็นเพียงบอกไว้ว่าแพทย์เนี่ย ครั้งแรกจะเอาเอามีดควักคว้านลูกตาออกเพื่อให้คนตาบอดเพื่อไปใส่ให้คนตาบอดเพราะว่าแพทย์นี่เป็นหมอตาโดยเฉพาะแต่เห็นว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ไม่สมควรจะทำเช่นนั้นจึงได้ปรุงยาขึ้นขนาดหนึ่งด้วยสมุนไพรแล้วก็เอาผงเนี่ยไปยป้ายที่ลูกตาตานี่ก็ค่อยๆหลวมแล้วก็ค่อยๆบิดออกมาทีละน้อยทีละน้อยจนทั่งตาเนี่ยหลุดออกมานอกเบา้า เลือดกรไหลโสมกายหมดเกิดความเจ็บปวดอย่างสาหัสแต่ว่าพระองค์ก็อดกลั้นไว้บอกตาบอกหมอบอกว่าแหมเราปวดเหลือเกินทําไมไม่ทําให้เร็วๆหมอก็พยายามน่วงเหนียวอยู่ตลอดเวลาว่าให้พระองค์เนี่ยเกิดทุกขเวทนา ม, มากๆจะได้เปลี่ยนทัศน์ไทยใหม่จะได้ไม่บริจาคดวงตาจนกระทั่งให้ลูกตาเนี่ยทะล e x ออกมานอกเบ้าแล้วแต่ว่าสายใยสายประสาทอันสําคัญเนี่ยยังไม่ขาดให้ห้อยอยู่ ถ้าบอบแม้โกรธแล้วเกินทํำไมไม่ทําให้สําเร็จสักทีหนึ่งโลหิตก็ท่วมตายไปหมดแพทย์ก็บอกว่าพระองค์ตัดสินพระทัยแน่แล้วหรือที่จะให้ดวงตาเนี่ยพราบอกเราตัดสินพระทัยแล้วเราลองพูดคาไหนแล้วไม่คืนคําเราจะต้องทําให้สําเร็จเราบอกให้ตาแก่ฟรามแล้วเราต้องให้ให้ได้ขอให้เธอรีบตัดเธออย่าทรมานเราเลยแพทย์จึงตัดสินใจเอามีดตัดสายใยนั่นน่ะให้ขาดแล้วก็เอาลูกตาใส่มือท่านใส่พระหัต และท่านก็มอบให้กับพรามแพทย์จะจัดการใส่ให้ต่พรามพรามนั้นก็เกิดเห็นทั้งสองข้างเกิดดวงตาเห็นแต่ว่าท่านตามืดทั้งสองข้างแต่ด้วยทานอันเนี้ก็เป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมธรรมราการคักลูกตาออกเกตตาจะต้องโบแต่วันนี้ไม่โบมีเนื้องอกขึ้นมาเต็มแต่เนื้อที่งอกมาเนี่ยเป็นเนื้องอกมาเท่านั้นไม่ใช่มีลูกตาเป็มแต่เนื้องอกมาให้เต็ม ดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดเหมือนกับตาพระพุทธรูปเนี่ยเขาเรียกตาเนื้อกับตามุกหรือถ้าเราเอานินอมุกไปใส่ก็เรียกว่าตาเนื้อหรือตามุกตามุกหรือตาดำถ้าไม่ใส่นินใส่มุกก็ช่างปั้นจะทาเป็นตาเนื้อไว้มีเนื้อง่อกออกมาแทนลูกตาแต่มองไม่เห็นแต่ด้วยอำนาจของบุญที่บริจาคดวงตาเนี่ย พอท่านบริจาครวงตาเสร็จท่านก็สั่งให้ให้อมาต์เนี่ยทำลาวสำหรับเดินเวลาจะเดินไปห้องน้ำไปที่ไหนจะได้เหนี่ยวลาวเนี่ยไปถูกแล้วก็สระราชบัลลังก์ออกบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าถือศีลภาวนาอยู่ด้วยบุญอันเนี้ยท้าสะกาดเทวราชทนอยู่ไม่ได้เทวดาเห็นความดีก็ลงมาถามว่าพระองค์ต้องการอะไร ต้องการดวงตากลับคืนไหมท่านก็บอกว่าท่านอยากได้ดวงตาต้องการเห็นโลกทำทาที่ให้ดวงตาไปแล้วแต่ยังต้องการเห็นโลกอยู่อีกแปลว่าการเห็นโลกเนี่ยไม่มีใครบรนดานดวงตาให้เกิดได้แม้แต่พระอินทร์แม้แต่เทวดาก็จะเอาดวงตามาให้ไม่ได้เพราะว่าตานี่โดยหลักปรัตญ์ธรรมแล้วเป็นกรรมชรูปเป็นรูปที่เกิดมาจากกรรมถ้าหากว่ารูปอันนี้เสียไปแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะได้มานอกจากจะมีตาคนอื่นมาสายให้แต่ว่าเทวดาได้แนะว่าให้พระองค์เนี่ยตั้งสัตยาธิษฐานคําว่าสัตยาธิษฐานนะั่นคื อ, คอให้ตั้งพระไทัยเนี่ยให้มั่นคงแล้วก็สัตยาธิษฐานนั้นมั่นคงเช่นเนี้จะทําให้พระองค์เห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนกับมีลูกตาเห็นได้ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ทราบเมืเร็วๆนี้ ก็ไม่เร็วนักหลายปีผ่านพ้นมาแล้วที่เด็กสามารถอ่านหนังสือทางแก้มได้เอาแก้มอ่านหนังสือได้เด็กตาบอดแต่ว่าฝึกจิตสามารถเช็คแก้มอ่านหนังสือได้อย่างเนี้อันนี้ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีจักขคุปภาษาสรูปแต่ทําไมจึงเกิดความเห็นขึ้นเ อ, อในชาบกนั้นในอัตตกะฐานนั้นได้แสดงว่าเมื่อท่านตั้งังงติญาธิฐานด้วยทานที่ท่านบริจาคไปคือให้ดวงตานี้ ขอให้ท่านได้เกิดความเห็นขึ้นก็ปรากฏว่าท่านเห็นเหมือนกับคนตาดีเห็นแต่ว่าลูกตาไม่มีแต่ว่าเห็นเห็นลึกซึ้งถึงขนาดว่าสิ่งใดอยู่ในที่นี้รับเนี่ยก็มองเห็นจอยู่ในกําแพงจะอยู่ในภูเขาเนี่ยมองทะลุหมดเป็นตาทิพย์ได้ตาแต่ว่าตานเป็นทิพย์โดยที่ไม่ต้องมีลูกตาอันนี้ก็เรื่องมาจากการฝึกจิตตาชนิดนี้เราเรียกว่าทิพพจักขุ ก็ได้แต่ที่พระจก้กขูอันนี้ไม่ใช่สําเร็จจากอภิญญาแต่สําเร็จด้วยบุญด้วยบุญญาฤทธิ์บุญที่ตนเองบริจาคนี่ยก็ทําให้เกิดความเห็นขึ้นมาได้และก็เห็นดีกว่าตาเนื้อที่เป็นมังสะจัดสูงนี้เสียอีกเห็นได้ลึกซึ้งกว่าเนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวที่ท่านแสดงเอาไว้ซึ่งตมาเองก็ค้นคว้าค้นคว้ามาอยู่เพราะว่าได้สนทนากับ จกักษุแพทย์คุณหมอกอบชัยที่ไปออกทีวีเมื่อวันเสาร์ที่แล้วร่วมกันเนี่ยก็บอกแหมเป็นเรื่องอศัศจรรย์คุณหมอก็บอกว่าในประมาทธรรมที่แสดงไว้เนี่ยใกล้เคียงกับที่ทางวิทยาการทางการแพทย์ศึกษากันอยู่เช่นที่ต่างแสดงถึงสันฐานของดวงตาเนี่ยในประมาทธรรมเราทศสัมมาทิฏฐิเจ้าแสดงโดยละเอียดเลยว่าเป็นยังไงรูปร่างลักษณะ leveling, ยังไงยังไงก็ใกล้เคียงกันเหลือเกินแล้วก็ อัศจารยว่าได้เคยทํามาก่อนนานแล้วทํากันมาได้นานแล้วเนี่ยอาตมาถึงได้พูดแม้ว่าเดี๋ยปัจจุบันเราทําได้แล้วก็เป็นโอกาสที่เราได้มองเพญทานกันคือได้บริจาคดวงตาออกไปเป็นทานวันนี้โยมมาบริจาค ก, กันแยะรับไปหลายสิหลายสิบคนแล้วที่มาบริจาคไม่ให้อย่าอย่าวิตกว่าจะเกิดชาติหน้าไม่มีตาอาตมาเชื่อว่าชาติหน้าตาสวยกว่าชาตินี้ ถ้าใครอยากตาสวยต้องท่อยบริจาคดวงตาแล้วก็ตาจะได้เห็นอะไรได้ลึกซึ้งไกลเห็นการไกลแล้วก็ยังเป็นผลสะท้อนไปสู่ยานปัญญาด้วยเพราะว่าเรื่องปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคนที่ขาดความรู้ความเห็นที่ไกลก็จะใช้ความนึกคิดแต่เพียงเรื่องใกล้คิดอะไรไม่ไกลอ่ะ คิเฉพาะเรื่องกกไกล้ๆเท่านะัไม่ได้เล็งเห็นถึงการอนาคตอีกร้อยปีอีกห้าร้อยปีอีกพันปีว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคิดอะไรไม่ไกลเพราะว่าเขามีปัญญาเพียงแค่นั้นเนี่ยก็คิดเพียงแค่นี้บางคนสั้นนิดเดียวสั้นสั้นเลยว่าเขาขึ้นมาอีกความคิดแค่นั้นไม่เลยว่าเขาได้ซ้ำไปอย่างเนี้ยซึ่งเราต้องอธิษฐานให้ความคิดของเรายาวๆแล้วก็ ให้มีปัญญาเล็งเห็นการอนาคตไกลๆถ้าจะมีตาก็ขอให้ตาของเราเนี่ยสดใสเห็นอะไรได้ไกลแจ่มชัดดีแล้วก็พอแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้บริจาค ก, ก็ไปบริจาคเถอจะได้เกิดดวงตาขึ้นที่ดีในชาติต่ อ, ตอไปอาตมาดีใจว่าเราได้ทําบุญกันเราถ้าหากว่าหมอทําไม่ได้เราก็ทําบุญอันนี้ไม่ได้ อันนี้ต้องต้องขอบใจวิทยาการทางการแพทย์เขาด้วยวะเขาสามารถทำได้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่คิดจะทําความดีทั้งหลายได้ทําความดีได้สาเร็จแล้วก็เกิดบุญเกิดกุศลในเรื่องการเห็นจึงไม่เกี่ยวกับลูกตาแต่เกี่ยวกับวิญญาณแม้นามรูปที่จะเห็นจะเห็นด้วยตาเนื้ออย่างนี้ไม่ได้ อย่างเราไปงานศพเราเห็นแมเห็นคนตายเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บแล้วเราก็เกิดความรู้สึกสังเวชใจว่ามนุษย์เกิดมากต่เนี้ยเกิดแก่เจ็บและก็ตายหรือมีความทุกข์นานาประการที่เราเห็นกันอยู่จริงความเห็นทั้งหลายเหล่าเนี้ก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้เกิดปัญญาได้แต่ว่า การเห็นสภาวะธรรมเช่นนี้ด้วยมังสะจักรสุเพียงอย่างเดียวยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอเท่ากับปัญญาจากักรสุฉะนั้นผู้ที่นั่งหลับตาแล้วก็ใช้ปัญญาไปพิจารณาถึงนามรูปนั่นนะจึงจะเห็นนามรูปที่แท้จริง <c oughs> การเห็นเช่นนี้จะเกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลก็ทำให้ถอนอุปาทานถอนความยึดมั่นในสิ่งต่างๆได้มาก ด้นการบำเพ็ญธรรมในสุพุตสาสนาเราโดยเฉพาะการทำสมาธินี้พระพุทธองค์จึงตั้งจุดหมายไว้ว่าสมาธิที่ปฏิบัติเนี่ยจะต้องไปสู่สัมมาวิมุตติคือความหลุดพ้นจะเป็นเจโตวิมุตติจะเป็นปัญญาวิมุตติก็ตามนั่นเป็นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ เราทำสมาธิหรือทำฌานเนี่ยก็มุ่งไปสู่เจโตวิมุตต์เราทำวิปัสสนามุ่งไปสู่ปัญญาวิมุตตมีวิมุตต์เป็นที่สุดถ้าถามว่าการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยจะไปที่สุดหรือว่าสิ้นสุดกันที่ตรงไหนก็ตอบว่าตรงวิมุตตถ้ายังไม่วิมุตต์คือยังไม่หลุดพ้นแล้วยังไม่ถึงที่สุด เรายังจะต้องปฏิบัติกันต่อไปอีกเหมือนในปัจจุบันนี้เราถกเถียงปัญหากันว่า เ, เช่นยังมีบางท่านเคยมาถามอาตมาว่าเป้าหมายของการศึกษาเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนบางคนสนใจกิจการวิทยาลัยว่าเราสามารถจะให้การศึกษาแก่ภิกษุสมณ น, นเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ไหม เพราะปัจุบันนี้ทางมหาวิทยาลัยต่างๆทางโลกก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการศึกษาให้บรรลุถึงเป้าหมายได้นะคาว่าเป้าหมายนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่อมาก็ถามย้อนว่าคำว่าเป้าหมายการศึกษาของคุณนะ่ะอยู่ที่ตรงไหนเป้าหมายการศึกษาอยู่ที่ตรงไหนลงว่าไอ้คำว่าเป้าหมายนี่ให้เข้าใจก่อน แต่กาอึก อ, อักอึกอักไม่รู้ว่าเป้าหมายการศึกษาอยู่ที่ตรงไหนก็เรียนหนังสือเรื่อยๆอ่านออกเขียนได้นะ่ะคือเป้าหมายให้มีปัญญาดีขึ้นกว่าที่ยังไม่ได้เรียนนะ่ะคือเป้าหมายว่าเอย่ยังงั้นยังยังไม่มีเป้าหมายยังไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาการศึกษาคือการเพิ่มภูนปัญญาให้เกิดขึ้นแต่ว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีเป้าหมายเป้าหมายของการศึกษาก็คือวิมุต ได้แก่ความอดทนนี่คือเป้าหมายหอดทนจากอะไรจากความทุกข์ทั้งปวง ท, งทั้งที่เป็นโลปยะโลกุตระธรรมเราอุตส่าห์ทา่มเรียนหนังสือกันทําปริญญากันไม่รู้ว่ากี่สอกี่วาเนี่ยเราเอามาทําไมปัญญาเหล่าเนี้ยก็เอามาเพื่อที่จะดํารงชีวิตในโลกปัจจุบันเนี่ยให้เป็นสุขสร้างความสุขความเจริญให้แก่ชีวิตของเราถ้าไม่มีปัญญาและความเจริญก็ไม่เกิด อย่างนี้เราจึงได้พยายามศึกษาเราเรียนกันเนี่ยคือเป้าหมายก็เพื่อให้มีความสุขในปัจจุบันแต่เราก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายได้จากความเรียนไหในวตาสงสารเนี่ยเรา้นได้ไหมเรียนเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้เพราสุดท้ายก็เนี่ยยังไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคือความหลุดพ้นจากทุกข์ ดนั้นในทกทิจศา ส, สนาราเนี่ยจึงวางหลักไว้ว่าเป้าหมายของการศึกษานั้นคือวิมุตตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่ถึงวิมุตตแล้วท่านเรียกท่านผู้นี้ว่าเป็นอเสขาบุคคลหรืออเสขาบุคคลแปลว่าบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วท่านเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าอยู่จบรมอาจารย์แล้วหมายถึงว่าเรียนจบคนและไม่ต้องเรียนอีกต่อไปแล้ว เป็นพระอรหันต์แล้วถ้ายังเป็นพระโสดาสกทาคารนาคาอยู่ท่านก็เรียกว่าเป็นเสขบุคคลแล้วบุคคลเหล่านี้ยังจะต้องศึกษาอยู่อีกยังเรียนไม่จบต้องเรียนอีกจนกว่าจะได้บรรลุถึงซึ่งความเป็นพระอรหรันต์นั่นแหละจึงจะสิ้นสุดการศึกษาเรียกว่าอาเสขบุคคลใรทางพุทธศาสนาเรามีเป้าหมายอย่างนี้ ฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าไอ้ที่เราเรียนเรียนกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่บรรลุเป้าหมาย่ะทั้งโลกถ้ายังไม่ถึงวิมุตแล้วยังไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาเรายังนําตนให้พ้นจากกิเลสไม่ได้ล่ะกบไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษายังเรียนไม่จบจะมีปริญญาแค่ไหนก็ตามยังเรียนไม่จบต้องไปเรียนต่อใหม่แล้วเราก็ต้องเรียนกันระโอดชีวิตไม่ใช่ว่าเรียนแล้วก็แล้วกันโยมอายุเจ็ดสิบแปดสิบยังต้องเรียนเลย เนี่ยมเรียนธรรมะเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ถึงเป้าหมายยังไม่เป็นอรหรันต์เราต้องเรียนกันอยู่อย่างเนี้ยจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะถึงที่สุดกันในเรื่องของสติปัญญา น, นั้นเป็นเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องเพิ่มพูนให้เกิดแต่ในพระพุทธศาสนาเรามีจุดมีจุดหมายมีเป้าหมายอยู่แล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ตรงเนี้ยส่วนการจะถึงช้าถึงเร็วก็อยู่ที่วิธีการ มีวิธีการปฏิบัติอันใดบ้างที่จะไปถึงอันนี้ให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้เพราะว่ายังอื่นนะเร่งได้หรอกแต่ว่าเรื่องปัญญานั้นไปเร่งกันไม่ได้เราจะเขี่ยวเข็นคนโง่ไปนิพพานก็เหมือนกับจับควายใส่ขวดใส่ไปไม่ได้หรอกขวดมาเล็กนิดเดียวควายตัวก็เล่ไม่มีทางสําเร็จนะ่ะต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องค่อยค่อยฝึกฝนอยู่เสมอเนี่ยเราก็ต้อง ต้องศึกษาต้องปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้จนกว่าจะไปสู่จุดจุดนี้นี่เป็นเป็นจุดหมายของการปฏิบัติทีนี้ระหว่างที่เราปฏิบัติที่ยังไม่ถึงจุดหมายเนี่ยยังในภาวะของผู้ที่ได้ฌานอยู่เพียงแค่ได้ฌานนี่ก็นับว่าเกิดความสุขมากมายพอสมควรแล้ว ผู้ที่มีจิตถึงฌานนี่เราเรามีความสุขมากมายแล้วเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่ายังไม่พ้นจากวัตฏสงสารการพ้นจากวัฏสงสารนั้นต้องเกิดญาณปัญญาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งคือเห็นไลรลักษณ์ในรูปนามจึงจะถอนอุปาทานได้แต่ว่าจะมีสภาวธรรมที่เราต้องศึกษาในภาวะแห่งความ เป็นฌานว่าฌานที่เกิดด้วยการปฏิบัตินั้นที่ประกอบด้วยวิตกวิจารปิตตุสุและเอกคตานั้นเน่ะเรื่องวิตกวิจารนั้นได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าคืออะไรวิตกไม่ใช่หมายถึงวิตกนองบลวิจารก็ไม่ใช่หมายถึงการวิพากวิจารวิตกม่หมายถึงภาวะของเจตสิกที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เนี่ยเราเรียกว่าวิตก เช่นท่านทั้งหลายตั้งใจฟังก็ดีตั้งใจดูอะไรต่างๆก็ดีการที่เราดูอะไรได้ฟังอะไรได้เนี่ยต้องมีวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือรูปกับเสียงวิตกทำหน้าที่อย่างนี้ส่วนวิจาร์นี่ทำหน้าที่พิจารณาเช่นพอฟังเสียงเสียงอะไรทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์อันนั้นรูปอะไรเป็นหน้าที่ของวิจาร์การพิจารณาอย่างนี้ ทำให้หายสงสัยต้องพิจารณาโดยละเอียดนั้นวิจารณ์จึงไปกําจัดวิจิกิจฉาได้อย่างนี้วิจิกิจฉาน่ะคือตัวลังเลตัวสงสัยตัวไม่แน่นอน่ะแต่ว่าเมื่อมีวิจารณแล้ววิจารก็ขัดจัดความลังเลสงสัยได้เพราะวิจารณ์นี้ทําหน้าที่พิจารณาอารมณ์นั้นโดยถ่องแท้แล้วส่วนปีติเนี่ยมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆปีตินั้นคือความอิ่มเอิบใจ ความอิ่มเอิบใจเนี่ยเรียกว่าปีติแต่อาการของความอิ่มเอิบใจที่เรียกว่าปีตินั้นมีอยู่ถึงห้าประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งเรียกว่าขุตกาปีติขุตกาปีติเนี่ยแปลว่าปีติเล็กน้อยปีติที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยน้อยเรียกว่าขุตกาปีติปีติที่สองเรียกว่าคณิกาปีติคณิกาปีตินี่ เป็นปีติที่เกิดขึ้นชั่วขนาดหนึ่งหนึ่งระหว่างที่เราปฏิบัติก็เกิดขึ้นชั่วขนาดหนึ่งหนึ่งปีติอันนี้ไม่เกิดขึ้นตลอดไปปีติประเภทที่สามโอกันติกาปีติโอกันติกาปีตินี่คือปีติที่เกิดขึ้นเป็นพักๆเช่นอย่างบางท่านอาจจะปฏิบัติไปแล้วบางทีจะรู้สึก ตัวเนี่ยเบาหรือมุทีรู้สึกเป็นสุขขนลุกสู้ซาเกิดความเอิบอิ่มเป็นชั่วพักๆหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าโอกรรติกาปีติปีติประเภทที่สีเรียกว่าอุเพงคาปีติอุเพงคาปีติเนี่ยคือปีติโลดผลปีติประเภทนี้อาจจะทำให้ตัวลอยขึ้นไปแล้วก็ลอยลงมา คือลอยขึ้นแล้วก็ลอยลงแล้วไม่ใช่ลอยขึ้นแล้วก็เวลาลงก็ตก ต, กตุ้บลงมาไม่ใช่ยังงั้นถ้าถ้าเป็นปีติแล้วจะต้องพคเคยลงขึ้นได้ก็ลงได้แปลว่าลงพอลงแล้วจะขึ้นต่อไปอีกอาจจะไม่ได้อย่างเนี้ยเรียกว่ากุเพงคาปีติแปล ว, ว่าปีติโลดผลบางทีก็ลอยไปเหมือนกับหอกได้อะไรทานองเนี้ปีติข้อที่ห้าดีกว่าพารนาปี